ซีดีธรรมบรรยายชุดทันโลกถึงธรรมพุทธศกราัาช2548โดยพระพรมคุณาพรปออประยุตโตวัดยานเวศกวันอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องพระกับสังฆและสังคมบรรยายเมื่อวันที่ 29รกรก้ากรกฎาคมพุทธศักราช 2,548 วันนี้ก็มาคุยกันทั่วๆไปนี่ก็อยากจะถามว่าในการบวชเนี่ยแต่ละท่านก็ย่อมมีความมุ่งหมาย แล้วก็ความคาดหวังว่าเออเราบวชแล้วเราจะได้เรียนรู้หรือจะได้อะไรหรือชอบมีความอยากได้มีความปรารถนาอะไรในทางที่เกี่ยวกับเรื่องการบวชเนี่ยอันนี้ก็อย่างและอย่างหนึ่งก็คือว่ามองไปถึงเรื่องการใช้ประโยชน์อันนี้ก็ จ, จะสัมพันธ์การต้นด้วยบางท่านก็มองทีเดียวตลอดถึงข้อหนึ่งข้อสองไปเลย ขี้นี้ข้อหนึ่งนี้อาจจะเน้นในแง่ตัวเราเองเหมือนกับมองว่าเราบวดแล้วเราจะได้อะไรเนี่อันที่สองก็คือมองในแง่ของสังคมว่าสังคมของเรานี้หรือประเทศชาติหรือแม้แต่ตลอดทั้งโลกเนี่ยมีปัญหาอะไรที่เราเห็นความสําคัญเราให้ความสนใจพิเศษอยากจะแก้ไข หือแม้แต่ไม่นึกถึงการแก้ไขก็เห็นว่าเป็นเรื่องใหญ่มากที่มันเป็นปัญหาทําให้เกิดความเดือดร้อนในปัจจุบันอะไรอย่าง น, นีก็อยากให้นึกถึงทั้งสองคอนี่ก็เลยอยากให้ท่านท่านนีน่ลองพูดมาว่าท่านคิดยังไงทีนี้ท่นานญาณาพัดโทสิคือความมุ่งหมายที่ผมคาดว่าจะได้จากการบวชครั้งนี้ครับ เนื่องจากเป็นการบวชระยะ3มเดือนผมก็เลยคิดว่าอย่างน้อยต้องให้ได้สมาธิฏฐิในการดาเนินชีวิตต่อไปอย่างมากก็คือให้ได้ถึงสมาสมาธิก็คือเข้าใจวิธีปฏิบัติในการปฏิบัติธรรมอันนี้ก็หมายถึงในแง่ของการพัฒนาตัวเองครับผมก็สมาธิฏิถึงสมาสมาธิเนี่ยมันก็มีเป็นระดับระดับมันต้องพัฒนาไปเรื่อยครับ สมาธิทิมันก็ต้องเจริญของมันขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนกันแม้แต่ว่าแบ่งระดับใหญ่มันยังมีเป็นสมาธิิระดับโลกิยะแล้วก็สมาธิิระดับโลกุจระทีนี้สมาธิิระดับโลกิยะเองมันก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยเรื่อยเรียกว่านะพัฒนาสมาธิิอ่าพัฒนาสมาธิิหรือว่าถ้ายังไม่เข้ามาเลยก็เข้าสู่สมาธิิครับอ่าส่วนในด้านสังคมนะครับการแก้ไขปัญหาสังคมผมตอนนี้ยัง ไม่กล้าแต่ปัญหาสังคมในความคิดของผมก็คือทางที่ดีที่สุดก็คือพัฒนาตัวเองก่อนฝึกฝนตนเองก่อนอ่าอย่างน้อยให้มีสมรรินะในการมองโลกในการปฏิบัติตนในการประพฤติตนให้ได้มากที่สุดแล้วก็ช่วยคนอื่นที่อยู่รอบข้างอันนั้นแหละสังคมเลยแหละก็คื อ, อช่วยคนอื่นที่อยู่รอบข้างเท่าที่จะช่วยได้ก่อนเริ่มจากานนในครอบ<ด><ด>ครั ว, วเนี่ยดีแล้วล่ะเนี่ยดี สำคัญนักหนาเลยในเรื่องสังคมเนี่ยอันนี้สำคัญมากเลยช่วยคนรอบข้างได้ล่ะนี่คือดีมิทิเศษแล้วลนะ่ะครับอ่ะแล้วท่วาเมาื่อกี้เดี๋ยวบอกว่ายังไม่คิดเรื่องการแตประปัญหาสังคมก็ไม่ต้องเอาเรื่องขั้นมองไปถึงการแก้ปัญหาสังคมก็ได้มองในแง่ว่ามีความรู้สึกอย่างไรต่อสังคมแค่นี้ก็พอคือ ในแง่ปัญหาสังคมผมมีความคิดว่าถ้าเกิดพูดถึงปัญหาสังคมเนี่ยจะพูดถึงปัญหาของภาพใหญ่อง n g รวมเช่นปัญหาของประเทศชาติเช่นน้ํามันแพงจะทำอย่างไรค่าเงินจะทําอย่างไรอะไรพวกนี้ผมผมคิดว่าสถานะของผมในขณะนี้ยังไม่อาจเอื้อมที่จะคิด ถ, ถึงปัญหาอ น, นั้นเรียกว่าคันจะไปแก้ปัญหาทีนี้เอาแค่ว่ามีความรู้สึกอย่างไรต่อสภาพสังคมปัจจุบันอย่างง่ายที่สุดก็คือชอบใจไม่ชอบใจ หรือว่ามันมีปัญหามากเหลือเกินหรือมันเสื่อมโทรมอย่างนี้ถือว่ายังอยู่ในระดับความรู้สึกซึ่งแตะไปทางความคิดเห็นด้วยแต่ว่ายังไม่ไปถึงขั้นที่จะแก้ปัญหาคําง่ายที่สุดตอนแรกก็ความรู้สึกต่อสภาพสังคมแล้วก็ตอนนี้อาจจะกล้าไปถึงทัศนคติหรือเจตคติต่อสังคมและต่อไปค่อยกล้าไปถึงขั้นจะแก้ปัญหาหรืออรวอีกทีตอนนี้ไม่ต้องเอาขั้นนั้นก็ได้เอาแค่ ความรู้สึกว่าสังคมนี้เออมันดีนะมันมีความสุขดีจเจริญ ง, งอกงามเลอเกินหรืออีกอย่างหนึ่งก็ว่าโอ้สังคมนี้เต็มทีเลยเกินมาเดียวนี้มันเสื่อมมันเต็มไปด้ความชั่วร้ายอะไรต่างๆเนี่ยความรู้สึกแบบง่ายๆคล้ยๆว่าเราอยู่ในสังคมอย่างเงี้ยเราต้องมีความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งท่านจะรู้สึกแบบไหนมันก็มีทั้งที่ชอบใจแล้วก็ไม่ชอบใจทั้งสองอย่าง ยกตัวอย่างที่ชอบที่ชอบใจก็คือมันมีการพัฒนาที่ดีขึ้นเห็นขึ้นเรื่อยๆออทางด้านวัตถุที่เห็นได้ชัดมากออและด้านที่ไม่ดี ย, ยกตัวอย่างนิดเดียด้านที่ไม่ดีก็คื อ, อ, อผมมองในแง่ของการฉาบฉวยซะเป็นส่วนใหญ่ครับออจะไม่มีการคิดลงถึงลึกซึ้งอะไรสัมากเพราะว่าผู้คนส่วนใหญ่เนื่องจากสมัยนี้เหมือนทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมีการผลิต มีอะไรกันเข้ามามากในสังค ม, มถ้ามองวัตถุ ก, ก็มองง่ายๆว่าสินค้ามีมากเข้ามาในสังค ม, มก็ยากต่อการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งจะเอาสินค้าทุกๆอย่าง ม, มานั่งพิจารณา อ, อย่างจริงจังถึงข้อดีข้อเสียอฉะนั้นมันเป็นสังคมรีบร้อนเนี่ยครับไอ้ความรีบร้อนมันก็มาจากสภาพปัจจัยต่างๆเช้นทางเศรษฐกิจครับธุรกิจหรือระบบแข่งขันเป็นต้นมันบีบให้แต่ละคนต้องดิ้นรนขนขวาย แล้วก็ต้องไปให้เหนือเขาไอ้การที่ต้องไปให้เหนือเขาเนี่ยมันทําให้ต้องเร่งรัดมากครับเ อ, าอ้าวระนโมธนากอนโมธนาทุกท่านในการคุยธรรมะกันไปในตัวว่าที่จริงแล้วตามหลักพุทธศาสนาที่จริงก็ตามหลักธรรมชาตินหะตัวเรากระสังคมเนี่ยมันไม่ได้แยกกันเด็ดขาด เราจะเห็นว่าแม้แต่เราเข้ามาบวชเนี่ยก็เริ่มทันทีเลยการฝึกตัวเองมันไม่ได้ขาดลอยไปจากความสัมพันธ์กับผู้อื่นเลยตั้งต้นแต่พระธรรมวินัยที่ให้บวชเนี่ยการบวชของเราก็สาเร็จด้วยอาศัยที่ประชุมสงฆ์แล้วก็ระเบียบวินัยที่ท่านวางไว้เนี่ยก็เป็นระเบียบวินัยเพื่อชุมชนที่ต้องยกศสงเนี่ย ให้อยู่กันได้ดีแล้วเราก็อาศัยความสัมพันธ์สภาพแวดล้อมการจัดระบบอะไรต่างๆที่ดีที่เอื้อนเนี่ยมาใช้ในการฝึกตัวเองแลวการที่เราปฏิบัติตามระเบียบของชุมชนของสังคมนั้นให้สังคมเป็นไปได้ดีอ่ะฉันกดระเบียบนั้นเป็นไปเพื่อให้สังคมเป็นไปดีแต่เวลาเราปฏิบัติตามนั้นก็คือเราฝึกตัวเองถูกไหมอ่าเราฝึกกายวาจาของเรา แล้วเวลาเราฝึกกายวาจาเราก็ต้องฝึกใจด้วยเพราะเราต้องตั้งเจตนาต้องมีจิตใจเข้มแข็งที่จะปฏิบัติอย่างนั้นแล้วถ้าเราทําจิตไม่ดีเราไปปฏิบัติสิ่งเหล่านั้นฝืนใจเราเราก็ทุกข์อีกแต่ถ้าเราเห็นคุณค่าประโยชน์หรือเราอย่างน้อยเรามีจิตสํานึกว่าเราบวชแล้วเราต้องต้องใจฝึกตนเองปฏิบัติให้ดีเรามองไปการฝึกไปเราก็มองเป็นดี เราก็ปฏิบัติเราก็รู้สึกว่าเราเนี่ยจเจริญงอก ง, งามเราก็มีความสุขจิตใจเราก็ดีจิตใจเราก็ฝึกไปในตัวเพราะการนั้นใอ้ความคิดสติปัญญาก็พัฒนาไปด้วยที่เรามองสิ่งต่างๆตอนนี้มองเห็นเข้าใจสิ่งรอบด้านในการปฏิบัติเรามีท่าทีเข้าใจการปฏิบัติของเราว่าเป็นยังไงว่าเป็นการถูกบังคับหรือเป็นการฝึกหรือเป็นการที่เราจเจริญพัฒนาเนี่ย มันเป็นการพัฒนาปัญญาไปด้วยหมดแล้วมาทั้งระบบชีวิตก็ทั้งระบบทั้งศีสมาธิปัญญาก็ฝึกไปพัฒนาไปได้วยกันความสัมพันธ์สิ่งแวดล้อมสังคมก็ไปได้วยกันไม่มีพลากจากการหรอกเพราะฉะนั้นต้องมองให้เห็นว่าทั้งสองอย่างเนี้ยไปได้วยกันเป็นแต่ว่าเราจะเอาขอบเขตแค่ไหนแต่เวลาพูดขึ้นมานี่เพราะแต่ละชีวิต ถ้ามองใช้สับปัจจบันก็คือก็ต้องรับผิดชอบตัวเองเพราะนั้นในแง่นี้ธรรมะก็จะพูดถึงการที่จะต้องพัฒนาตัวเองต้องศึกษาต้องทำทุกข์ของตัวให้สิ้นไปอันนี้ก็คือในแง่ความรับผิดชอบเพราะแต่ละคนทำให้คนอื่นไม่ได้แต่ละคนต้องทำให้กับตัวเองแต่เมื่อตัวเองจเจริญพัฒนาไปถูกต้องเนี่ย มันผลดีมันก็เกิดขึ้นและการที่จะพัฒนาไปได้ก็ต้องอาศัยสภาพแวดล้อมมาเอือ้อตลอดเวลาเนี่ยแถวเดียร์มีเขาใช้คําว่าปฏิสัมพันธ์ทีแล้วเป็นก็เป็นปฏิปัจจัยเป็นปัจจัยการเน่ยนะเป็นปัจจัยแก่กันและกันตลอดเวลาเป็นแต่ว่าเราจะรู้จักใช่ไหมเพราะนั้นการฝึกอย่างหนึ่งก็คือการรู้จักใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์ที่เป็นปัจจัยแก่กันและกัน ร, ระหว่างตนเองกับสิ่งแวดล้อมทั้งสิ่งแวดล้อมทางสังคมและสิ่งแวดล้อมทางวัตถุ นั้นเราจะไปมองแยกออกไปจากการขาดไม่ได้เลยแล้วก็อยู่ที่ว่าไอ้การเน้นนี่นอกจากว่าเริ่มต้นตรงเน้นที่ความราับผิดชอบของแต่ละคนของตัวเองเนี่ยในระดับที่ขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งเนี่ยก็จะต้องดูที่พื้นนิสัยจริตซึ่งมันจะมีผลต่อการพัฒนาของเขาว่าแบบไหนได้ผลบางคนนี่การฝึกที่เน้นแนวสัมพันธ์กับผู้อื่นอาจจะได้ผลดีกว่า บางคนนี้ต้องเน้นในแง่ตัวเองให้มากอันนี้ก็ต้องดูอีกเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจะไม่ตัดแบบว่าเอายางใดอย่างหนึ่งตายตัวจะดูความเหมาะสมจึงต้องดูความแตกต่างรอบบุคคลพุทธเจ้าจะต้องมีความสามารถที่เรียกว่าทศพลญาทวาสาบรีก็ตถาคตพละกําลังของวัตถาคต10ประการใน10ประการนั้นก็มีที่เกี่ยวความแตกต่างรอบบุคคลอยู่สองข้อ มีข้อหนึ่งก็เรียกว่าอินทริโยปริยัตญาณภาษาบาลีแปลว่าความยิ่งและหย่อนแห่งอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายหมาว่าสัตว์ทั้งหลายมีอินทรีย์ยิ่งและหย่อนไม่เท่ากันนี่เป็นความแตกต่างแนวตั้งแต่ละคนพัฒนาไปไม่เท่ากันมีศ ร, รัทธามีศีลมีปัญญาไม่เท่ากันผู้ที่จะไปสั่งสอนไปช่วยในกระบวนการพัฒนาของเขาก็าจะต้องรู้เข้าใจเขา ว่าเขาอยู่ในระดับไหนแม้แต่จะให้คำสอนคำแนะนำก็ต้องให้เหมาะให้ตรงแล้วมันจึงจะได้ผลดีอีกข้อหนึ่งก็นานาธิมุติกยานความแตกต่างในเรื่องของแนวโน้มความสนใจอัธยาศัยอะไรแต่อะไรเป็นต้นภูมิหลังอะไร ต, ต่างๆเหล่านี้อันนี้เป็นความแตกต่างแนวนอนก็ต้องรู้ทั้งความแตกต่างแนวตั้งและแนวนอนอย่างสมัยนี้การศึกษาเขาเน้นมานานแล้วให้รู้ความแตกต่างระหว่างบุคคล แต่เขาไม่แยกแนวตั้งก็อย่างหนึ่งแนวนอนก็อย่างหนึ่งที่ว่าบางคนอยู่ในระดับการพัฒนาเดียวกันแต่ว่าแนวโน้มความสนใจที่ยาสัยไม่เหมือนกันแม้แต่เป็นพระอาหารหันแล้วก็ถือว่าระดับการพัฒนาในแนวตั้งเท่ากันเนเป็นพระอรหันหมดแต่ว่าแนวนอนนี่ต่างกันทั้งนั้นเลยพระมหากัสปะก็เป็นพระอรหันแต่ชอบสงัด อยู่ป่าถือธุอดงภาษาริบุตรท่านก็เป็นพระอรหันแต่ว่าท่านสัมพันธ์กับผู้คนเที่ยวแนะนำสั่งสอนดูแลแล้วทานไปเห็นเด็กที่มันยากจนข้นแค้นท่านก็ไปเอามาบวชแล้วก็มาให้การศึกษาอะไรต่างๆเหล่านี้ยลูกศิษย์เนนเก่งๆเยอะเลยภาษาริบุตรเน่อย่างนี้เป็นต้นแล้วท่านก็เป็นเรียกว่าธรรมเสนาบดี เป็นอังคารสาวว่าฝ่ายขวาทำหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าเลยในการดูแลปกครองพระสงฆ์องค์อื่นก็อย่างเนี้ยนี่เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าแม้แต่ผู้พัฒนาแล้วในระดับเดียวกันก็มีความแตกต่างกันะฉะนั้นเวลาเราจะไปจัดเช่นการศึกษาซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนามนุษย์เนี่ยเราก็ต้องรู้ความแตกต่างระหว่างมนุษย์นี้แล้วก็จัดปรับเช่นคาสอนคาแนะนาสภาพแวดล้อม ปัจจัยเกื้อหนุนต่างๆให้เหมาะกันแต่ว่ามันมีอันหนึ่งก็คือส่วนรวมหรือปัจจัยรวมทั้งหมดเช่นการจัดระบบสังคมการจัดระบบชุมชนอย่างเงี้ยพอเราบวชเข้ามาปั๊บเรานึกว่าเราบวชเราจะฝึกตัวเองที่จริงเราอาศัยสังคมทันทีก็คือสังฆสงฆนี่ชุมชนนี่ต่างกันมาแล้วแยกจากขรือหันแล้ว มีวิถีชีวิตมีความเป็นอยู่มีสภาพแวดล้อมอะไรต่างๆต่า ง, า ง, างไปเลยบรรยากาศต่างหมดนี่คือปัจจัยเกื้อหนุนเราในการพัฒนาเราไม่สามารถจะพัฒนาโดยขาดปัจจัยเกื้อหนุนของสิ่งแวดล้อมก็อยู่ที่ว่าเราจะเอาประโยชน์อย่างไรจากปัจจัยทางสังคมการที่จะพัฒนาตัวเองก็ต้องรู้จักเอาประโยชน์จากปัจจัยทางสังคมมาใช้เช่นแม้แต่กฎระเบียบวินยัย กฎระเบียบวินัยของสังคมนี้ก็มีไว้เพื่อจะรักษาชุมชนให้อยู่ดีดีให้เจริญมั่นคงงดงามแล้วก็มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยแต่ว่าการที่เราแม้แต่ไปปฏิบัติอย่างที่บอกเมื่อกี้แต่ละข้อที่เป็นเรื่องของการรักษาส่วนรวมนั้นก็คือการฝึกตัวเองเท่านั้นแล้วเสร็จแล้วเมื่อชุมชนนั้นมีระเบียบวินัยดีอยู่ในระเบียบวินัยแล้วชุมชนที่ชื่อว่าสังฆาเป็นต้นเนี่ยก็อยู่ในสภาพที่เอื้อ ต่อการที่บุคคลจะทํากิจหน้าที่ของตนเพื่อก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายตอนนั้นก็จะเป็นสภาพเอื้อให้แต่ละคนเนี่ยพัฒนาตัวเองได้ดีมันก็กลับมาเป็นปัจจัยกับตัวเราแล้วเราเองเมื่อเราพัฒนาตัวเองแล้วปฏิบัติดีถูกต้องเราก็เป็นปัจจัยเอื้อต่อสังคมช่วยทำให้สังขารนไม่เดือดร้อนถ้าเราไม่ปฏิบัติตามวินัยปับ๊บสังขาเดือดร้อนองค์อื่นยุ่งองค์อื่นก็พลอยปฏิบัตถถิฝึกตัวเองไม่ได้ดี พอเราปฏิบัติดีปับ๊บเราก็ก้าวหน้าแต่เราไม่ได้มองว่าที่จริงนั้นเราช่วยเพื่อนทะเลกวาสะทานมิกหรือเพื่อนร่วมชุมชนสมาชิกทั้งหมดเนี่ยไปด้วยเลยเราก็เป็นสมาชิกองค์ประกอบเป็นปัจจัยอันหนึ่งที่ไปเกื้อนหนุนสังฆะชุมชนนี้ให้อยู่ดีแล้วก็เกื้อนหนุนกลับเพื่อนร่วมชุมชนทั้งหมดให้เขาได้รับ ตัวปัจจัยเกื้อหนุนที่จะพัฒนาตัวเองได้ดีขึ้นด้วยแล้วถ้าเราก้าวหน้าไปเรามีความรู้มากขึ้นเรามีจิตเมตตาต่อกันพอเรามีจิตเมตตาต่อกันแล้วก็มาปรึกษาห้ารือมาแนะนำบอกกล่าวกันให้ความรู้กันคนที่รู้ก้าวหน้าไปกว่าก็มาบอกแนะนำคนที่ยังรู้น้อยกว่าอ้าวมันก็เป็นปัจจัยเกื้อหนุนกันคนที่มาบอกนั้นก็ได้ฝึกตัวเองและก็คนที่ได้รับฟังก็ได้อ ประโยชน์ในการที่จเจริญปัญญาในการที่จะมาใช้พัฒนาศีลสมาธิจิตใจอะไรของตัวเองมันไปได้วยกันหมดคือต้องมองว่าไอ้นี่มันเป็นกระบวนการที่หนุนเนื่องซึ่งกันและกันไปเลยแล้วเอาประโยชน์ให้ได้จากระเบียบวิ น, นัยจากเรื่องของสังคมอะไรสิ่งแวดล้อมเนี่ยให้ได้แล้วมองให้เห็นว่าที่แท้แล้วมันเป็นเรื่องเดียวกันเป็นแต่ว่าตอนนี้ก็คือวันเน้นความรับผิดชอบของตัวเอง แต่นั้นเป็นธรรมดาเลยเมื่อพูดถึงความรับผิดชอบเช่นว่าเอา้ามีข้อธรรมเยอะแยะข้อหนึ่งก็คือเมตตาเอาเมตตาคืออะไรเมตตาก็คือความรักความปรารถนาดีอยากให้คนอื่นเป็นสุขอา้าวก็นี่มันเรื่องทางสังคมนี่นะแล้วใครปฏิบัติก็ตัวเราใช่ไหมก็ตัวเราปฏิบัติถ้ตัวเราปฏิบัติก็คือการฝึกตัวเองนั่นเองใช่ไหมเราต้องปฏิบัติธรรมเมตตาก็เป็นธรรมะข้อหนึ่งที่เราต้องปฏิบัติ เมื่อเราปฏิบัติเราก็ฝึกตัวเองได้เมตตาเมตตามาฝึกตัวเองปฏิบัติเมตตาก็ฝึกตัวเองแต่การฝึกตัวเองนันคืออะไรก็คือการปฏิบัติต่อผู้อื่นก็คือทําให้เกิดผลดีต่อผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นนั่นเองไม่หนีไปไหนพอปฏิบัติต่อผู้อื่นถูกต้องปรารถนาดีต่อเขามื่อก็ฝึกตัวเองไปมันทั้งผลดีในขณะนั้นและผลดีที่ตีย้อนกลับมาภายหลังในขณะนั้นก็คือในขณะที่ปฏิบัติเนี่ย มันเป็นทั้งผลต่อตัวเองและต่อผู้อื่นที่ว่าปฏิบัติเมตตาปั๊บตัวเองก็ฝึกตัวเองพัฒนาตัวเองปฏิบัติธรรมและพร้อมกันนั้นก็คือมีผลต่อผู้อื่นก็คือการปฏิบัติต่อผู้อื่นในความสัมพันธ์ระหว่างกันนี่คือตอนที่ปฏิบัติโดยตรงต่อไปพอทําให้อยู่กันเป็นสุขมีเมตตานี่มีความช่วยเหลือเกื้อกูลกันมันก็สร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนอีกทําให้เราอยู่กันร่มเย็ยนเป็นสุข เ อ, อื้อตากาที่เราจะปฏิบัติทากิจอะไรต่างๆให้ดีขึ้นเพราะนั้นเราจะเห็นว่าในธรรมวินัยเนี่ยจะมีหลักเนี้ยโยงอยู่ด้วยกันตลอดเลยลาะตั้งแต่บวชไม่แยกเลยแต่ว่าแน่นอนจะต้องจี้ความรับผิดชอบต้องบอกว่าให้ท่านเพียรปฏิบัติเพื่อดับทุกข์กำจัดทุกข์ให้หมดสิน้นไปนี้เป็นหน้าที่แต่ละคนให้ตระหนักไวแต่ว่าในกระบวนการที่ดับทุกข์ของเราเนี่ย มันจะมีอันเนี้ยความเป็นปัจจัยปัจจัยาการที่มันอิงอาศัยซึ่งกันและกันไปเรื่อยเรื่เหมือนอย่างที่บอกว่าอ้าวแม้แต่เราจะปฏิบัติกิจวัตรแต่ละวันตื่นเช้าขึ้นมาจะไปบิดตะบะเราไปบิดต บ, บา่านนี่มันเป็นการฝึกตัวเองแล้วท่านไม่ใช่ว่าเออคุณจะได้ไปอาหารมาฉันมัใช่ยังแค่นั้นะแต่แม้แต่ภูมิหลังเบื้องหลังแนวความคิดที่เป็นที่มาของ การปิตา บ, บาตก็เกิดจากธรรมะคือการที่จะเอื้อกันระหว่างมนุษย์ที่ได้จัดระบบจําแนกออกเป็นฝ่ายบรรพชิตกับฝ่ายคขันธะว่าบรรพชิตนี้จะอยู่ได้ดีจ ะ, จะเจริญไปได้ก็ควรไม่มีห่วงกังวลทางวัตถุให้มากอ้าวแต่ว่ามนุษย์ก็ต้องมีความเป็นอยู่ต้องมีอาหารเป็นต้นต้องอาศัยปัจจัยสี่ทีนี้คขันธะชาวบ้าน ชีวิตส่วนใหญ่ก็ยุ่งกับเรื่องการทำอาหาเลียชีพแต่ว่าเขาก็มีจิตมีใจเป็นต้นซึ่งจะต้องมีความเจริญงอก ง, งามมีความสุขแล้วเขาก็ต้อ ง, อ, งอยู่ด้วยกันได้ดีไม่เบียดเบีย น, นซึ่งกันและกันไม่ใช่ว่าหาอาหารอะไรแต่ปัจจัยสี่แล้วแย่งชิงการเบียดเบีย น, นกันอ้าวแล้วทีนี้บัณฑิตก็ไปอ่านว่ามุ่งไปในทางที่ว่าจ ะ, จะเจริญในธรรมะในการจเจริญในธรรมะก็รู้เข้าใจแล้วปฏิบัติด้วยตนเอง ก็จะดำรงรักษาธรรมะไว้ให้แก่สังคมซึ่งเป็นความต้องการของกรุรณาแต่ตัวเองก็ต้องการอาหารปัจจัย4มาเป็นเครื่องเกื้อหนุนให้ตัวดำรงอยู่ได้พระพุทธเจ้าก็จัดระบบความสัมพันธ์ขึ้นมาเลยเอาให้พระฝากทองไว้กับชาวบ้านแต่เธอจะไปโลภนะให้เขาเลี้ยงง่ายเอาพออยู่ได้พอให้มันเป็นเครื่องเกื้อหนุนมันเป็นปัจจัยเกื้อหนุนว่าเราไม่ได้มุ่งอยู่เพื่อมันเศรษฐกิจ ปัจจัยสี่อาหารเป็นต้นไม่ใช่จุดหมายของชีวิตแต่ว่าเป็นเครื่องเกรอหนุนเป็นปัจจัยเป็นนิสัยเป็นที่อาศัยพึ่งพามันเราก็จะได้มาปฏิบัติให้จะเลยงอกงามในธรรมและจะได้นำธรรมะนี้มาให้กับชาวโลกเราก็ฝากท้องให้กับชาวบ้านแล้วก็เกิดมีประเพณีอันนี้มาเอื้ออยู่ก็ออกไปก็ตัวเองก็ต้องทำยังไงจะให้ธรรมะเนี่ย เกิดประโยชน์กับชาวบ้านเอาแล้วทีนี้ก็ต้องวางระบบพระจะต้องสำรวมอินซียนุ่งหมให้เรียบร้อยแล้วก็มีอาการที่เรียกว่ามีเมตตาเป็นต้นทำให้เขาเห็นแล้วรู้สึกไม่มีภัยเห็นแล้วจิตใจผ่องใสมีภาษาทะมีความสุขช่ำชื่นใจถ้าคนถือมงคลโชคลางก็อาจจะเอออันนี้ได้เห็นสิ่งที่ดีงามเป็นมงคลและตั้งแต่เช้า คงจะโชคดีทั้งวันเลยก็แล้วแต่แลแ้ว แ, แต่จะคิดไปอันนั้นเป็นเรื่องของขยายไปหน้าที่ของพระตอนนี้ก็เท่ากับเกิดขึ้นแล้วหนึ่งก็คือว่าต้องอาศัยอาหารจากชาวบ้านแต่พร้อมกันนั้นก็ไปให้ประโยชน์สู่กับประชาชนเรียกว่าไปให้ธรรมพูดสั้นๆทีนี้ชาวบ้านก็เกื้อหนุนต่อพระด้วยปัจจัยสี่พร้อมกันนั้นก็จะได้ธรรมะจากพระสงฆ์ก็กลายเป็นระบบที่ท่านเรียกว่าอัญโยญยานิสิตาอาศัยซึ่งกันและกันก็เลย เหมือนก็เกิดเป็นหน้าที่ต่อการขึ้นมาว่าชาวบ้านก็บำรุงพระสงฆ์ด้วยปัจจัยสี่มีอาหารเป็นต้นเริ่มจะตักบาตรพระสงฆ์ก็เมื่ออาศัยอาหารจากชาวบ้านแล้วให้เขาเลี้ยงง่ายอย่าไปทำให้เขาเดือดร้อนเราก็ต้องให้เขาได้รับประโยชน์ทางธรรมะก็จึงบอกในวันที่บวชบอกว่าพระนี่มีหน้าที่ต้องให้ทาแก่ประชาชนต่างฝ่ายต่างให้คาว่าให้เียกว่าทานชาวบ้าน ถวายปัจจัยสภาษาพราะเรียกว่าอามิสตานชาวบ้านถวายอามิสตานพระนี่มีหน้าที่ให้ทําเรียกว่าธรรมทานธรรมทานก็เลยแบ่งว่าเป็นให้ทําโดยพูดก็ให้ทําโดยไม่ต้องพูดให้ทําโดยพูดก็คือว่าเรามีความรู้ข้อธรรมแล้วเราไปสั่งสอนผู้จานั้นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าแม้แต่ไม่พูดก็ให้ทําได้เพียงพระปรากฏตัวที่ไหน ถ้าดนอุดมคติต้องให้ประชาชนได้ธรรมะ ท, ทันทีเพียงปรากฏตัวเนี่ยแต่ปรากฏตัวยังถูกต้องเนี่ยนะได้ ท, ทันทีพอเห็นพระปั๊บชื่นใจเลยใจผ่องใสที่ท่านเรียกก็มีภาษาท่คือหน้าที่ของพระนี่ทํำยังไงให้ประชาชนได้ก่อนคือภาษาท่จิตใจฟูผ่องใสขึ้นมาสบายใจแหละไม่มีภัยอันตรายไปเจอปั๊บในปากก็สบาย ลงนั่งยกมือท่วหัวเลยไหวโอ้ใจมาแล้วสบายใจแล้วพบพระเนี่ยอย่างเงี้ยไปเจอพระเจอวัดก็ใจดีเลยไม่ใช่เจอพระเอ๊ะที่จะขออะไรอย่างงี้นแย่เลยใจเสียเลยต้องเจอพระแล้วใจมาเลยใจผ่องใสเนี่ยไอธรรมะเดี๋ยวไม่ต้องพูดเดียสำคัญมากเพราะนั้นท่านจึงเน้นไงการสรํารวมกายวัจจาเป็นผู้สงบลักษณะของพระเป็นผู้สงบ สันตกาโยสันตวาโจแล้วก็สันตมโนมีกายวาจาใจสงบสันตมโนนี่อาจจะลึกหน่อยแต่ว่าสันตวาโจสันตกาโยนี่ก็ฝึกตั้งแต่ต้นเราก็ทํากายทำวาจาให้สงบสํารวมเป็นต้นนุ่งงมให้เรียบร้อยทําไมท่านเน้นเสกียวัตรแม่ตะห่มผ้าเดี๋ยวบอกอัพร้าเข้มายึดมั่นถือมั่นแล้วยังจะมาเอาอะไรกันอีกก็ให้จีวรแค่นี้เออก็ปล่อยห่มลุมรานรุมรานไงก็ได้ มีบางองค์นั้ น, นึกว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นเพราะก็ห่มตามสบายไม่ต้องซักไม่ต้องซักก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่ใช่ไหมแล้วก็หม่มลุงลังลุ่มราบยังไงก็ได้อันนั้นก็คือเข้าใจผิดมองธรรมะไม่เห็นระบบทีนี้ก็กลายเป็นว่าไม่ยึดมั่นถือมัน่นแต่กลายเป็นว่าพระพุทธเจ้ากลับมาเน้นให้พระเนี่ยต้องสำรวมต้องมีผ้านุ่งผ้าห่มที่เรียบร้อย ที่ถี่พิถานในการที่จะนุ่งห่มให้เป็นปริมนทนเลยที่ตอันนี้ครัก็คือประโยชน์กับประชาชนนั่นก็เรื่องสอบถามนิดนึงครับรื่งองของจีนที่เขามีมาหายาณอย่างจี้กงอะไรเงี้ยเป็นพระเราขอทานดื่มเหล้าดื่มชูกาได้อันนั้นเป็นวิวัฒนาการยุคหลังเมื่อวินัยมาเสื่อมลงไปแล้วก็ในญี่ปุ่นก็มีถึงก็ตั้งกองทัพลบกับฝ่ายบ้านเมือง อันนั้นไปไกลเลยก็อันนี้ต้องเป็นเรื่องประวัติศาสตร์ว่ากันยาวเลยอย่างในญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นนี่ก็คือบ้านเมืองคนับถือนับถือมากๆก็ตั้งพระเป็นที่ปรึกษาของพระเจ้าแผ่ดินต่อมาพระก็มีอำนาจมากขึ้นทีนี้กษัตริย์ผู้ปกครองบางองค์นี่ก็จะอ่อนแอเพราะอ่อนแอก็พระนี่ก็คุมอำนาจเลยเพราะคุมอำนาจไปมามันก็จะบัญชาการแล้วสิใช่ไหม เดี๋ยวจะตั้งคนนั้นตั้งคนนี้กลายเป็นว่าต้องปรึกษาพระหรือพระจะเอาไงไงต่อไปก็กลายเป็นว่ามีศัตรูอยเพราะอย่างนี้ต้องมีศัตรูแน่ใช่ไหมท้งคนอื่นเขาก็หวังอํานาจเหมือนกันอย่างน้อยก็พวกขา้าราชการบ้านเมืองก็จะอึดอัดจะรู้สึกว่าอย่างน้อยทําไงจะพ้นจากอานาจครอบงํำของพระนี่ไปได้จนกระทั่งอย่างเมืองญี่ปุ่นเนี่ยที่ย้ายเมืองหลวงจากนาราไปเฮอานอะไรพวกนี้นะก็มีไอ้เรื่องอย่างเนี้ย มีเรื่องปัญหาทางการเมืองแล้วก็มีการที่ตั้งกองทัพรักษาวัดต้องสู้กับฝ่ายบ้านเมืองอะไรต่างๆไปกันไกลแล้วก็เพราะมหายานท่านเป็นอาจาราาิียวัดคือถือตามอาจารย์เพราะฉะนั้นเรื่องวินัยเนี่ยก็จะค่อยๆลบเลือนลงไปไม่ได้ถือเคร่งครัดเมื่อไม่ถือเคร่งครัดในเรื่องวินัยเนี่ยก็หลักการที่ยุดโยงไว้ให้สงฆเนี่ยมีความเป็นอยู่เป็นวิถีชีวิตต่างหๆมันก็ชักหมดไป มันก็เข้าไปมีวิถีชีวิตที่อาจจะกลายเป็นเหมือนชาวบ้านบางอะไรบางก็กลายไปว่าแม้แต่มีอาวุธสู้รบอะไรต่อะไรไปใมันก็ปลายกันใหญ่เรื่องอย่าญี่ปุ่นก็แตกนิกายกันเยอะแยะญี่ปุ่นในมีสองร้อยสามสิบสี่นิกายนิกายย่อยแตกกันไปจากนิกายใหญ่สิบสามนิกายนิกายใหญ่จัดวิธีเหลือหกจัดวิธีเหลือห้าจัดวิธีเหลือสี่นนิกายใหญ่ๆเหล่าเนี้ยก็ต่างกันมาก นิกายเซนนีน่ก็เน้นเรื่องสมาธิเบียบวิบนัย เ, เอาจิงเอาจังต้องใช้ความเพียรพยายามของตัวเองส่วนนิกายสุขาวดีพวกโจโดโจโดชินนั่นเป็นนิกายที่สวดอ้อนวอนพระมิตราภะอยู่สวรรค์สุขาวดีว่าสาวดอ้อนวอนวันหนึ่งให้ได้มากที่สุดในผ่านครั้งแล้วตายแล้วจะได้ไปอยู่สวรรค์สุขาวดีกับพระมิตราภะเขาเรียกว่าสวรรค์ตะวันตกแทบตรงข้ามเลยสุขาวดีกับเซน แล้วก็มีนิกายนิจิเรนนิกายนิจิเรนนี่ก็เรียกว่าเป็นนิกายที่ก้าวร้าวประนามนิกายอื่นหมดเส้นไม่ใช่คําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคําสอนของมารอสูนบอกว่าไอ้นิกายอมิตาพระในบุตรสูในบุตรสูก็คือนโมมิตาพระทางนิจิเรนก็ประนามบอกว่าในบุตรสูเนี่ยไม่ได้นําไปสู่สวรรค์ทีืว่าไปสุภาวดีแต่นําไปนรก แล้วก็ปานามนิกายชินงอนชินงอนนี่นิกายวัชรยานแบบที่เดตชินงอนนี่ก็วัชรยานนี่เขาถือว่าการที่จะสั่งสอนให้คําสอนด้วยปากได้วาจาเนี่ยมันไม่สามารถเข้าถึงความจริงได้ก็ต้องให้เขาเรียกว่ารหัสยายในใหมที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าอิสโตริกบุดดิสึมเป็นอิสโตริกเป็นคําสอนลึกลับจะมาพูดมาจา ก, กันเนี่ยคําพูดเหล่านี้เข้าถึงความจริงไม่ได้ ต้องวิธีลึกลับวิธีลึกลับก็เขาก็แบ่งเป็วิธีลึกลับทางกายวิธีลึกลับทางวาจาวิธีลึกลับทางใจที่ลึกลับทางกายก็เช่นทําท่ามืออย่างนั้นอย่างนี้อะไรมุตสาก็สื่อไปถึงความจริงสัจธรรมอะไรเงี้ยหรือว่าทางวาจาก็มลธารณีแล้วก็ทางใจก็เข้าโยคะใช้วิธีสมาธิแบบโยคะอะไรกคือมีต่างๆแล้วก็ใช้ เรื่องของพิธีกรรมพิธีกรรมก็เป็นสื่อที่จะให้เข้าถึงความจริงแบบรหัสยันไนที่เป็นเรื่องลึกลับเนี่ยแล้วก็ศิลปะทีนี้นิกายนิจิเรนก็ประนามชินงอนเพราะว่าท่านไม่ใช้ระบบคําสอนไปใช้พิธีกรรมศิลปะในการสื่อก็เลยมีพิธีกรรมเยอะพอมีพิธีกรรมเยอะนิจิเรนก็ประนามว่านิกายชินงอนเนี่ยมีแต่พิธีกรรมล๊อคลงลังไม่มีสาระ อะไรอย่างนี้เป็นตน้นนิจิเลนก็ไปอีกอย่างหนึ่งก็นับถือคำปีศัจธรรมวุญิลิกมีคำสวดที่ใช้ทั่วไปเขาจะประชุมกันสวดนามุเมียวโฮเรง เ, เกียวนามุเมียโหเรง เ, เกียวอันนี้ก็คือคำสวดประจำทึ่เป็นเครื่องหมายบอกเลยว่านิการนิจิเลนนี่ก็นิกายหนึ่งแล้วก็นิกายอะไรครบอะไอยังไะนิกายเซนสุขาวดีแล้วก็ชินงอน แล้วก็นิจิเลนนิกายใหญ่ที่สุดก็สีแล้วก็แตกกับอะไรเซนก็โซโตเซนลินไซเซนสุขาวดีก็โจโดโจโดชินแล้วก็ชินงอนก็เป็นอันใหญ่อันเดียวแล้วก็นิจิเรนก็นิจิเรนก็ไปแยกเป็นนิกายย่อยๆอะไรกันเช่นว่าโซกะงักไก่ตั้งพัดการเมืองชิโกเมโตอะไรเงี้ยนนะแล้วนิกายชินนี่ไม่มีพระไม่มีคาริษฐ์คือนักบวชของเขาเนี่ ไม่มีเครื่องแบบก็ใช้ชุดสากลแต่งตัวเป็นคารื้นหัดหวีผมและแอะไรเป็นอยู่อย่างคารื้นหัดมีครอบครัวด้วย อ, อ๋อเต็มที่คือไม่มีต่างจากคารื้นหัดคือหมายความว่านุ่งห่มเป็นอยู่เหมือนชาวบ้านเพราะเขาก็เป็นชาวบ้านเลยแล้วก็ไว้ผมแล้วก็มีครอบครัวแล้วก็ทําธุรกิจมีโรงงานสาหกรรมเป็นเจ้าของกิจการต่างๆเหมือนชาวบ้านทั่วไปนี่คือพระชินนะต้องเข้าใจว่าชินชินโตชินงอนคนละเรื่อง ชินโตนี่เป็นศาสนาคนละศาสนาไม่ใช่พุทธศาสนาชินโตเป็นศาสนาถิ่นของประเทศญี่ปุ่นเองเป็นศาสนาพระอาทิตย์เจ้าแม่สุริยเทวีอมเตระสุนะนี่คนละศาสนาแปลว่าคนญี่ปุ่นสืบสายมาจากพระอาทิตย์ น, ะนี่นี่ชินโตส่วนชินนี่เป็นนิกายพุทธศาสนาคนละเรื่องเนี่ยคนไทยไม่รู้ และชินงอนนี้คือนิกายอีกนิกายหนึ่งที่เป็นวัชริยานชินนีิก็อย่างที่ว่าแต่งตัวเป็นครงหัดมีกิจการธุรกิจอะไรไปเจอไม่รู้ตอนพวไปนะั้นเขาก็จัดคนหนึ่งเป็นก็เป็นพระเนี่ยนิกายชินเนี่ยมาเป็นผู้ติดตามอะไรต่อะไรดูแลที่กีคุณเคยเาว่าสังฆราชคนญี่ปุ่นนะมีผีสาวเอาก็นี่แหละก็แบบนิกายชินอ่ะ ก็พวกนิกายชินเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ก็หมายความว่าเราก็ไปเยี่ยมเพราะว่ามันเป็นการไปดูสถานศึกษาสถาบันต่างๆก็ไปเยี่ยมท่านโน้นท่านนี้ก็คราวหนึ่งก็ไปเยี่ยมสังฆราชนิกายย่อยนิกายหนึ่งในพวกชินอะไรนี่แหละอันนี้ก็มีผู้หญิงสาวก็มาเอาน้ําชามาถวายท่านสังฆราชท่านก็แนะนําว่านี่ลูกสาวผมนีเป็นต้นะทีนี้พระนิกายชินนี่ก็ มีบทบาทอย่างไรล่ะก็คือมีพิธีกรรมพิธีอะไรต่างๆพิธีสัตว์นามก็ต้องมีเท่านั้นเมื่อมีพิธีเขาก็จะมีเสื้อคลุมสีดําตาห่า ง, งมันก็พามงนะ่ยมาสวมทับเข้าไปสวมทับชุดสากลนะแล้วก็ประกอบพิธีบางทีถ้าเป็นพิธีใหญ่ใหญ่แม้แต่เดินทางมาเมืองไทยถ้ามาเป็นทางการเป็นเรื่องใหญ่แสดงเกียรติยศเนี่ยเขาก็จะมีเป็นแผ่นผ้าสีเหลือง ที่คล้ายๆทำให้สวยงามหน่อยก็อย่างถ้า เ, เทียบของเราก็หมายว่าปักดินปักดินอะไรอย่างนั้นนะนะเป็นปื้นแผ่นผ้าสีเหลืองผ้าดไหลก็คล้ายๆสังกติไงแต่เป็นแผ่นนิดเดียวอาจจะขนาดนี้ผ้าดไว้นั่นแสดงว่าเป็นเครื่องหมายของพระชินนี่เป็นตน้นนี่เนี่ยญี่ปุน่นแต่ถ่านิกายเซนในโกนศรีสะ ใส่เสื้อคลุมสีดํามีลักษณะเป็นพระชัดๆเลยไปแบบเพราะนั้นมหมายญาณ น, นี่เป็นคําคลุมๆต้องไปดูว่าเป็นอาจารยวิวัฒนไหนแล้วก็คนละอย่างคนละอย่างสั่งสอนไม่เหมือนกันอย่าไปเข้าใจว่ามหมายญาณเนี่ยหรืออย่างวัชรยานเนี่ยทิเบตเนนะี่ยท่านก็ไม่ยอมรับว่าท่านเป็นมหมายญาณเลยซ้ําคือโดยทั่วไปเราจะแบ่งว่าอ๋อพุทธศาสนาเดี๋ยวนี้ก็มีสอง มีเทรวาดกับมหายานหรือบางทีก็เรียกเทรวาดว่าหิ น, นัญญาณแล้วก็หินัญญาณมหายา น, านไปพบวัติเบกวัตถิเบกบอกฉันไม่ใช่มหายานอ้าวแล้วเป็นอะไรเป็นวัชริยานทําไมวัชริยานต้องเหนือมหายานมหายานยังต่ําอยู่เพราะว่าจัดหินัญญาณต่ําสุดมหายานใหญ่ขึ้นมาแล้วก็วัชริยานีน่ยอดสุดเลยสุดมเป็นการพัฒนา เป็นความถือของท่านไงมาท่านถือว่าอย่างนั้นท่านสุดยอดเนี่ยคําสอนของท่านแต่อย่างชินงอนในญี่ปุ่นไงบอกว่าคําสอนนี้สื่อกันไม่ได้เด้๋ยว่าจะต้องรู้ด้วยทางลึกลับเาไม่รู้แหละก็แล้วแต่อันนั้นเป็นเรื่องรายละเอียดยเถืเถียงกันแล้วมันยุ่งเอาเป็นว่าหลักการของท่านอย่างนี้ให้รายละเอียดจะไปวิจารณ์ไม่ต้องในที่นี้ยังไม่วิจารณ์ท่านว่าอย่างนั้นแหละต้องใช้รหัสเซียนไหนลึกลับ สอนกันด้วยพิธีกรรมสอนกันด้วยศิลปะแล้วเข้าถึงผ่านสิ่งนั้นเนี่ยก็ต่างกันไปทีนี้มหายานเพราะเหตุที่ว่าไม่รักษาไอ้ตัวคําสอนดั้งเดิมก็เลยแตกได้กลายไปเรื่อยๆอาจารย์ใหม่มาก็ใครถือตามก็ไปอย่าไปอย่าก็เลยเรียกว่าอาจารย์ยวิทยาถือหลักของอาจารย์ทีนี้ของเราเนี่ย เรียกว่าเถราวาดเพราะว่าถือตามหลักของพระเถระ500รูปที่ประชุมทําสังขยนาครั้งที่1หลังจากพระพุทธเจ้าป ร, รินิพพานได้สเดือนคําว่าเถร ะ, ระในที่นี้มีความหมายเฉพาะอย่างนี้เถราวาดหลักคําสอนของพระเถระต้องบอกต่อไปว่าพระเถระ500รูปที่ประชุมทําสังขยนา ร, รวมรวมพระธรรมวินยัยเมื่อพระพุทธเจ้าป ร, รินิพพานได้3เดือนนั่นค่เป็นการสังขยนาครั้งที่หนึ่ง ทนี้ถ้าถือตามนั้นมาก็อยู่ในพระไตรปิฎกอันนั้นตลอดไม่ยอมที่จะออกไปถ้ามีอาจารย์อะไรมาก็จะให้รู้ว่าเป็นเรื่องของอาจารย์คนนั้นแต่ไม่ถือว่าใหญ่กว่าคำสอนเดิมอนันนั้นก็อยู่หมดจะไปที่ไหนก็เหมือนกันหมดเถระวาดนี่จะไปลังกาไปพมา่าไปที่ไหนก็เถระวาดก็จะอยู่ที่พระไตรปิฎกบาลีอันนั้นเหมือนกันหมดทีนี้มหญญายาณนี่ ก็เป็นอาจารย์ริยวัตก็จะไปตามนิกายย่อยก็จะไม่เหมือนกันเพราะถือตามอาจารย์อย่างนิจิเรนนี่ถือแรงมากเพราะนิจิเรนนี่เป็นมหายานที่เกิดในญี่ปุ่นแท้ๆอย่างเซนนี่เป็นมหายานที่เกิดในจีนจีนเรียกว่านิกายฉานแล้วเพี้ยนไปที่ญี่ปุ่นเป็นเซนนะในภาษาเดิมเขาเรียกฉานภาษาสันสกฤตเรียกว่าทยานะภาษาบาลีเรียกว่าฉาน ชาญนี่เองชาญสมาบัติเนี่ยก็ไปถึงญี่ปุ่นไปเซนเนีภาษามันเพี้ยนไปเยอะเลยแล้วก็เกิดในจีนแล้วก็นิกายสุขาวดีก็เกิดในจีนแต่ว่านิกายชินงอนก็มาจากจีนนี่แต่นิกาเลนนี่เกิดในญี่ปุ่นแล้วก็ถึงก็ถือว่าพระพุทธเจ้าที่เกิดในอินเดียน่ะเป็นองค์ที่มา เตรียมทางเท่านั้นไม่ใช่องค์จริงพระพุทธเจ้าองค์แท้คือนิจิเรนเกิดในญี่ปุ่นนี่ชาตินิยมหนักเข้าไปคือลัทธิชาตินิยมผนวกเข้าไปด้วยถือว่าพระพุทธเจ้าองค์แทนนั้นอยู่ที่ญี่ปุ่นไม่ใช่เกิดในอินเดียนี่นี่นิจิเรนนะท่านต้องเข้าใจมันไปกันลิบลับเลยก็เรื่องเยอะอ น, นั้นเราจะไปมองเพียงถ้อยคําผีเผินไม่ได้หรอกมันมีเรื่องรายละเอียดมากมาย ฉะนั้นจึงมีโยมถามว่ามีผู้ไปพูดเัืมหายานเนี่ยมากมายเถเรวาตเรานิดเดียวผมบอกนี้พูดไม่ให้มันชัดข้อมูลมันไม่ชัดจเจนเถเรวัตเนี่ยเป็นนิกายหนึ่งในหินยานหินยานเป็นคากว้างถ้าคู่กับมหายานก็ต้องหินนยานชูไหมที่แท้นะ ค, คําคู่มหายานหินนยานก็คือมหายานนีเกิดเมื่อ ประมาณระหว่างพศห้ารถึงหกร้อเมื่อเกิดขึ้นมาท่านก็นเรียกพุทธศาสนาในกายเก่าๆที่มีมาว่าหินยานเหมืนกะถือว่าของฉันเนี่ยมหายานคือญานผานะใหญ่มีคุณภาพสูงสามารถขนสัตว์ไปได้มากส่วนพุทธศาสนาดําเดิมที่มีอยู่เนี่ยมีคุณภาพต่ําเป็นญานเล็กๆขนสัตว์ไปได้นิดหน่อยเหมนกนะก็เลยเรียกหินนิยาน เป็นชื่อที่เพิ่งเกิดตอนที่มหายานเกิดมหายานก็มาเรียกของเก่าและเถรวาดก็ไปเป็นส่วนหนึ่งอยู่ในพวกที่ถูกเรียกว่าหินนยานไม่ใช่ว่าเถรวาดเนี่ยเป็นหินนิยานทั้งหมดหินนิยานก็มีเยอะเลยก็ถูกเรียกว่ารวมๆกันทีนี้ต่อมาหินนิยานนิกายย่อยอื่นเนี่ยมันสับสูญไปหมดเหลือเถรวาดอันที่มีมาเดิมตั้งแต่สังคายนาคที่หนึ่งเนี่ย ก็หินยาก็เลยหลืออันเดียวจนกระทั่งว่าเหมือนกับพูดเป็นอันเดียวกันเถรว่ากับหินนิยานยังก็บเทระว่าแต่ที่จริงไม่ใช่หรอกก็แปลว่าหินนยานเนี่ยเหลืออันเดียวคือเทระว่าแต่ที่จริงก็ไม่ใช่ถึงกับถือเหลืออันเดียวนีในญี่ปุ่นยังมีหินยานเหลือนะแต่เหลือคนนับถือแค่ห้าหมู่นสี่หมืนนิกายอะไรลิสสุอะไรเงี้ยก็ไม่นับแล้วก็รวมไป็นว่าเอาพูดว่าหินยานในเหลือนิกายเดียว นิกายย่อยอันเดียวคือเทรวาตแล้วเทรวาตอันเดียวก็มากหลายประเทศเนี่ยประมาณ1 2 0ยยี่สิล้านคนน่ยทีนี้มหายาณนี่ก็เป็นคํารวมแบบพินัยยก็ต้องไปแยกย่อยสิอาจารย์วิวัฒไหนเป็นเซนเป็นสุขาวดีเป็นนิกิเลนเป็นชินงอนวัชรยานอาจาวัชรยานเขาก็ไม่ยอมอีกเลยก็แยกไปแยกไปแต่ลงพอไปนับนิกายย่อยอ ย, อย่างนั้นเพราะต้องเทียบกับเทรวาตก็ต้องเทียบนิกายเหล่านั้นใช่ไหม เทเรล่าเซนเทเรวาดกชินงอนเทเรวาดกับสุขาวัตดีเทเรวาดใหญ่ที่สุดเวลานี้ในโลกเนี้ยนิกายพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดก็คือเถเรวาดอันเดียวมีตั้งร้อยสามสิบเจ็ดล้านคนนะประมาณนะแต่ว่าไม่แน่เราเอาแค่ร้อยี่สิบล้านคนครับส่วนมหายานนั่นก็ตัวเลขพุทธศาสนิกชนทั้งโลกปัจจุบันนี้เขาให้ถึงสามร้ยหสิบล้านแล้วนะค่อยๆขยับขึ้นเลยคือตอนที่จีนเป็นคอมมอนนิสนี่เหลือร้อยหสิบล้าน ทีนี้ตอนนี้จีนเขาโมนิก็เปิดตัวขึ้นพุทธศาสนาก็เริ่มเข้าก็เลยเขาก็ค่อยๆเพิ่มให้เพิ่มให้ทีละหน่อยละหน่อยมาถึงปีนี้ดูจะขึ้นแถวๆสามอยห้าสิบล้านแหละอันนี้ก็เอาถ้าเราให้ที่เหลือก็200กว่าล้าน200ล้านก็ไปแบ่งอาสิไปแบ่งเอาแล้วเหลือนี่กลายและนิดเดียวอย่างวัชริยานเนี่ยบางทีก็ไปมองกมาทั้งประเทศที่เบตมองโกเลียภูตานหรือภูฐานเนปาล ก็ต้องไปดูหมดต้องศึกษาข้อมูลต้องชัดความรู้ต้องชัดเจนไม่ใช่ไปเอาแบบคลุมๆเกลือเือเราไปดูทิเบตปั๊บอ้าวทิเบ ต, บเบตมีเนื้อที่1นล้านสองแสนตารางกิโลเมตรใหญ่กว่าประเทศไทยตั้งเยอะประเทศไทยมีแค่5้าแสนตารางกิโลเมตรประเทศทิเบตล้านสองแสนแต่ประชากรทิเบตมีสล้านห้าแสนคนไทยแล้วเขาไปเท่าไหร่หกล้านคนหรืออย่างมองโกเลียเนี่ยมีเนื้อที่หนักขึ้นไปอีก ล้านห้าแสนตารางกิโลเมตรความหนานแน่นประชากรตารางกิโลเมตรละหนึ<ม>่งจุดเจ็ดคนไทยเราความหนานแน่นประชากรเท่าไหร่ร <120 S 1> <120 S 2> <ม>ู้ไหมร้อยี่สิบคนเมืองไทยเนี่ยความหนานแน่นประชากรตารางกิโลเมตรละร้อยี่สิบคน<ม>แล้วเราคิดดูสิมองโกเลียใหญให่ก็อย่างนั้นแหละมีประชากรแค่สองล้านคนไทยตั้งหกสิบสี่ล้านคน และเอาทิเบตเอามองโกเลียเอาภูตานภูตานก็เหลือเนื้อที่สี่หมื่น็ดพันตารางกิโลเมตรเท่านั้นเองและเนปาลเนปาลนี่มีเนื้อที่ประมาณแสนสี่มืเจ็ดพันตารางกิโลเมตรแล้วมีศาสนาฮินดูประจําชาติไม่ใช่พุทธพอฮินดูประจําชาติก็มีพุทธประชากรแค่ห้าเปอร์เซนตก็ได้แค่ประมาณล้านสองล้านได้นิดเดียวตะลง วัชรยานก็มีหน่อยก็ได้ไปเอาชิ้นงอนกับมากกว่าชิ้นเงินที่ญี่ปุ่นอะถ้ากลายเป็นนิกายย่อยในญี่ปุ่นก็จริงแต่ว่าเพราะญี่ปุ่นมีประชากรเยอะก็เลยชิ้นเงินก็ได้ตัวเลขมาสามสี่ห้าล้านคนก็เอามาบวกเข้าไปก็ไม่เท่าไหร่ตวลงก็จะเห็นว่าม้ายานก็เลยเหลืออันละนิดละหน่อยตอนนี้กายที่ใหญ่ที่สุดในโลกปัจจุบันก็คือเทราวา อย่างนี้เป็นตน้นเพราะเราต้องวิเคราะห์แยกแยะให้มันชัดออกไปไม่ให้ไปพูดคลุมคลุมอันนี้เป็นตัวอย่างคือความรู้ของขอภัยนะพูดสังคมไทยเราเนี่ยเราบกพร่องมากในด้านความรู้มีแต่ความเห็นความคิดเห็นละมากเหลือเกินดูหนังสือพิมพ์สสื่อมวลชนนะมีแต่ความคิดเห็นทางนั้นเลยจึงต้องย้ำย้ำเรื่อยในตอนเนี้ยบอกว่า ให้แสดงความคิดเห็นบนฐานแห่งความรู้และให้เป็นความรู้ที่ชัดเจนท่องแท้ด้วยอย่าแสดงความคิดเห็นโดยไม่หาความรู้บ้านเมืองที่จะพัฒนาต้องหาความรู้ก่อนแล้วแสดงความคิดเห็นความคิดเห็นที่ตั้งอยู่บนฐานของความรู้นั้นจึงจะมีความหมายมีคุณค่าสร้างสรรค์เป็นประโยชน์มังงั้นก็จะเป็นความคิดเห็นตามความรู้สึก ชอบใจไม่ชอบใจใช่ไหมหรือตามกระแสแล้วเดี๋ยวนี้ลองดูสิครับท่านเห็นด้วยไหมว่าสื่อมวลชนเนี่ยเต็มไปได้วยความคิดเห็นไม่ีแต่ความคิดเห็นดังนั้นเลยความรู้ไม่เคยมีเลยทีนี้เมื่อความรู้มันไม่ชัดเจนเนี่ยให้ความคิดเห็นเนี่ยมันก็งอนแง่นแล้วมันทำให้ผิดพลาดชักพาไปในทางที่ เสียหายมีทัศนคติที่ผิดพลาดแล้วมองอะไรแต่อะไรก็ไม่ชัดเพราะนั้นต้องย้ำ ม, มากสังคมไทยในเรื่องความรู้ก็ความรู้ต้องเริ่มจากข้อมูลข้อเท็จจริงเป็นข้อมูลล้วนๆบริสุทธิ์ไม่มีความคิดเห็นประกอบในขั้นที่หนึ่งอันนี้ต้องเผยแพร่ได้เต็มที่ข้อมูลแบบเป็นข้อเท็จจริงที่ไม่มีความคิดเห็นแล้วต่อจากนั้นก็จะมี เอาความรู้ที่ชัดเจนแล้วก็ให้ความคิดเห็นเข้าไปแต่ว่าขั้นที่หนึ่งเนี่ยให้ความรู้ข้อมูลเป็นเรื่องใหญ่มากให้เขารู้ข้อมูลเนียนไม่มีเลยครับยกตัวอยา่างอย่างเคสที่ผ่านมาเป็นเรื่องที่ตลกมากอเรื่องน้ําเนียภาคตะวันออกอ่ะท่านยิงบอกว่าเหลือน้ําใช้สองร้อยวันท่านยิงบอกว่าเหลือสิบสี่วันมันไกลกระลิบ โอ้โหคนเรื่องอันไม่บอกสองร้ยวันนี่ครึ่งปีไมบอกสิบสี่วันจะหมดแล้วมไม่รู้ว่าจะเชื่อใครดีนั่นสิมันไม่มีปริมาณที่ชัดเจนว่ากี่ลูกบาทเม็ดเลืออะไรกันใช่ไหมให้มันชัดออาเมื่สิเพราะไอ้สิบสี่วันกับสองร้อยวันเนี่ยไอ้คนหนึ่งบอกว่าไอ้น้ําเท่ากันนั่นแหละคนหนึ่งกินวัลขันอีกคนหนึ่งกินวัลถังมันก็อาจจะเท่ากันนะใช่ไหมเออมันไม่แน่นอน ฉะนั้นก็ต้องคัได้ข้อมูลที่แน่นอนชัดเจนเหมือนอย่างเรื่องภาคใต้เรื่องที่วุ่นวายอยู่ดีเนียสังคมไทยขาดหรือเกินเรื่องความรู้ก็เล่า บ, าบา่อยๆอ่ะอย่างเรื่องฮิยับเนี่ยเป็นตัวอย่างเลยที่ไม่รู้เรื่องรูลาอเลยก็แสดงความคิดเห็นกันไปฮิยาบท่านรู้จักไหมฮิยับก็เครื่องนุ่งห่มสตรีที่คลุมศรีรษะเนี่ยภาษาอาหรับเรียกว่าฮิยาบ แล้วก็เขาก็เคเขียนเป็นภาษาอังกฤษอันนี้ฮิยาบเนี่ยประเทศไทยเราก็บอกโอ้เป็นวัฒนธรรมของชาวมุสลิมเขาเราต้องให้ยอมให้เขาแต่งแล้วเราก็มาว่ากันเองว่าคนไทยเนี่ยทําไมจึงเหมือนกับคนนั้นใจแคบไม่ยอมอะไรอะไรทําไมจึงไม่ให้เขาแต่งมานานแล้วเรื่อยๆก็ว่ากันไปกลายเป็นต่อว่ากันเองเหตุก็เพราะขาดความรู้ถ้าความรู้ชัดเจน มันก็จะมองสถานการณ์มองเรื่องราวถูกแล้วมีทัศนคติที่ถูกต้องจะเอาอยัางไงเป็นเรื่องหนึ่งนะความรู้นี่ก่อนความรู้หรือความจริงเป็นอย่างนี้เมื่อความรู้หรือความจริงเป็นอย่างนี้แล้วจะเอาอยัางไงเป็นอีกเรื่องหนึ่งในมันไม่คนละอันคนละตอนฉันยังไม่ได้บอกเนีฉันบอกแต่ความรู้ความจริงก็เป็นอย่างนี้ฉันยังไม่ได้บอกว่าฉันจะเอายังไงนี่คนเนี่ยเดี๋ยวนี้มันระแวงกันขนาดที่ว่าพูดความรู้ไม่ได้ ถ้าพูดความรู้ปั๊บนี่จะนึกว่าเราแวงว่าคนนี้จะเอาอย่างนี้อ่ามันไปสรุปเอาเองเนี่ยอย่างเรื่องแค่ น, นี้เป็นตัวอย่างข้อมูลเรื่องฮิญาบเนี่ยก็เล่าก็เลยไปนึกว่าอ๋อเป็นวัฒนธรรมชาวมุสลิมประเทศมุสลิมก็าคงแต่งนนะกันไปเลี่ยนะก็วาดภาพไปแล้วที่จริงไม่ได้รู้เลยผมจะเล่าตัวอย่างให้ฟังประเทศตุรกีภาษาทางการเขาให้เรียกตุรกีแต่ว่าผมว่ามันน่าจะออกเสียงเตอร์กีมากกว่า เป็นพกเตอร์เตอรกีเนียเป็นประเทศมุสลิมมีประชากรมุสลิม 98% 98% ไม่ใช่น้อยนะแต่ประเทศนี้นะมีกฎหมายห้ามสตรีแต่งชุดคลุมศรีระฮิยับเข้าไปในสถานที่ราชการและสถานศึกษาถ้าเข้าไปเกิดเรื่องเลยเอ้าวละสิทำไมเอเอเอประเทศมุสลิมนะอ้าวเ อ, เ อ, เอ้ประเทศมุสลิมกลับห้าประเทศไทย ตอบอนุญาตมันยังไงอันนี้เราไม่ต้องเปรียบเทียบเราเอาแค่ข้อมูลอันนี้เคยมีผู้ที่เขาอยากจะให้แต่งก็เรียกร้องเรื่องไปถึงสารรัฐธรรมนูญสารรัฐธรรมนูญก็วินิจฉัยมาว่าถ้าแต่งผิดรัฐธรรมนูญแล้วก็เมื่อปีห9ึ่ก็มีสตรีผู้หนึ่งสมัครรับเลือกตั้งเป็นสอสแล้วท่านก็เที่ยวออกหาเสียงในชุดเนี้ย ชุดฮิ jab เขาก็ไม่ว่าเพราะว่าไม่ได้เข้าสถานที่ราชการและสถานศึกษาไปตามถนนโน่นทางตามบ้านเขาไม่ว่าก็แต่งไปก็ได้รับเลือกมาเป็นสอสอพอวันเปิดประชุมสภาก็แต่งชุดนี้เข้าไปพอโผล่เข้าไปในสภาเท่านั้นแหละสมาชิกอื่นลุกพึบเลยไล่ต่อว่าว่าอะไรต่างๆจนในที่สุดแกถูกนําตัวออกจากสภา แล้วรัฐบาลเอาเรื่องต่อจนกระทั่งถอนสัญชาตินี่ขนาดนี้ในประเทศตุรกีนะเพราะแต่งฮีญาบเท่านั้นอ้าวท่านเราคิดดูแล้วทำไมเรื่องเหตุผลของเขาไปว่ากันอีกทีแต่เช่นย ก, ยกตัวอย่างเช่นอย่างเหตุการณ์ตอนหนึ่งมีนักศึกษาพวกหนึ่งเรียกร้องให้แต่งดีพวกผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้ความคิดเห็ น, นชี้แจงแก่พวก สื่อมโมชนหรืออะไรก็แล้วแต่บอกถ้าคืนทําอย่างนั้นประเทศตุรกีก็จะเป็นอย่างอิหร่านว่า ง, งั้นแหะแสดงว่า ต, ตุรกีไม่ต้องการเป็นอย่างอิหร่านอิหร่านก็ประเทศมุสลิมแต่งชุดนี้บังคับเลยผู้หญิงต้องแต่งชุดฮิญาบแต่ประเทศมุสลิมตุรกีกลับตรงข้ามเลยแล้วก็ประเทศอินโดนีเซียผมก็พบจําราวเมื่อปีหนึ่งปดเจดที่บอกว่า มีกฎห้ามมิให้นักเรียนหญิงแต่งชุดฮิญาบในโรงเรียนรัฐบาลเอ่อทำไมอินโดนีเซียเป็นประเทศมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดในโลกเอ่อทำไมมีกฎนี้อันนี้คือเรื่องที่น่าศึกษาอย่างน้อยต้องมีข้อมูลก่อนไม่ใช่ว่ากันแต่ความคิดเห็นนี่คือคนไทยมีแต่ความคิดเห็นม่นต้องเอามาแจงกันเลยประเทศมุสลิมนั้นเขาปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้น เมื่อคนไทยเรามีข้อมูลอย่างนี้คนไทยเราก็จะมองสถานการณ์ออกเราอนุญาตก็ได้ไม่แปลกเราอนุญาตเราก็จะอนุญาตได้ท่าทีแบบหนึ่งเราจะรู้สึกภูมิใจโอ้เมืองไทยเราเนี่แสนวิเศษใจกว้างที่สุดในโลกเลยใช่ไหมขนาดประเทศมุลสลิมเขายังไม่อนุญาตเมืองไทยเราเขาเป็นคนส่วนน้อยเรายังอนุญาตเลยก็ภูมิใจในความเป็นคนไทยหรือประเทศไทยอะไรก็ได้แต่ ดีกว่ามาด่ากันเองใช่ไหมนี่มาต่อว่ากันอะไ ร, ะ ไ, รไม่ข้าเรื่องเลยถ้าทีมันก็ผิดทัศนคติผิดหมดเลยเนี่ยเพราะขาดความรู้นี่เป็นตัวอย่างเท่านั้นเนี่ยเรื่องต่างต่างแล้วเนี่ยเรื่องอย่างภาคใต้เวล้วเนี่ยขาดข้อมูลขาดความรู้ว่าไปตามความคิดเห็นมากมายเหลือเกินแล้วก็มันจะไปแก้ปัญหาอะไรมันก็ยากหมดคนมันขาดความรู้ลำบากมากสังคมนี้ต้องแก้ไข แม้แต่สอนเด็กก็บอกให้กล้าแสดงความคิดเห็นอย่าเอาแค่นี้มันกล้ามขั้นมันเกินไปมันผิดขั้นตอนมันต้องหาความรู้ให้ชัดเจนแล้วแสดงความคิดเห็นแล้วความคิดเห็นน่าจะมีความหมายมีคุณค่ามีประโยชน์ความคิดเห็นที่ไม่ตั้งอยู่บนฐานของความรู้ไม่มีความจริงไม่รู้เป็นความคิดเห็นที่เลื่อนลอยแล้วมันจะไปเป็นสาระอะไร ก็อย่างที่ว่ามันก็ว่าไปตามชอบใจไม่ชอบใจว่าไปตามความรู้สึกหรือตามกระแสเขาว่ากันไปตัวก็ว่าตามไปเนี่ยไปเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงสังคมไทยมีหลายเรื่องทีเดียวที่มีเอกอะไรพูดสอนกันมาอย่างที่ทัญยานเตโชว่วาเมื่อกี้ก็บเรื่องคล้ายๆทำนองเนี้ยบอกว่ารอให้เด็กพร้อมอะไรเงี้ยนะอย่างนี้ก็เรียกว่าศึกษาเรื่องปรัชญาการศึกษากันดีหรือเปล่า มันกลายเป็นว่าไปตามกระแสไอ้พวกไปตามกระแสนี่ถ้ากระแสมันแยกอย่างกระแสโลกาภิวัตปัจจุบันเนี่ยมันเป็นกระแสที่ไหลขึ้นหรือไหลลงไม่รู้เนอะแล้วมันไปทางดีหรือทางเสือ่อมทำให้เกิดปัญหามากขึ้นนั่นเราจะต้องวิเคราะห์ด้วยการหาความรู้ให้ได้ข้อมูลความจริงที่ชัดเจน่องแท้ที่สุดแล้วก็จึงมาใช้ความจริงข้อมูลความรู้นั้นมาวิเคราะห์ เรื่องราวต่างๆทีความคิดเห็นพยายามสนวนแต่ความคิดเห็นต้องให้ด้ยความมั่นใจในความรู้ที่ชัดเจนก่อนแล้วก็ให้ได้อย่างมั่นใจเลยนะฮะเพราะาเรามั่นใจในความจริงข้อมูลนั้นนะไม่ใช่ให้แบบเลื่อนลอยเนี่ยปัญหาของสังคมไทยอา้าวก็เลยพูดเรื่อยไปเอาไปว่าโตลงให้มองในแง่ที่ว่าการฝึกฝนตนเองหรือการปฏิบัติธรรม แม้แต่เพื่อดับทุกตนเองนะแท้จริงแล้วเนี่ยมันอยู่ในระบบความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยที่มนุษย์แต่ละคนเนี่ยไม่ได้แยกออกไปจากสังคมหรือเพื่อนมนุษย์อื่นและสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นการปฏิบัติของตัวเองก็จะต้องมองให้ออกที่จะอาศัยปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้มาเอื้อเป็นประโยชน์ก็คือเอาประโยชน์จากสิ่งแวดล้อม เอาประโยชน์จากสังคมชุมชนของตัวเองให้ได้เอาประโยชน์จากระเบียบวินยัยและพร้อมกันนั้นก็คือทําตนปฏิบัติให้มันมีผลเอื้อต่อระเบียบวินยัยต่อความดีงามของชุมชนของสังคมของสังฆานี้เป็นตน้นและเมื่อเราปฏิบัติตามระเบียบวินัยเป็น ต, นตกก้นกฎเกณฑ์กติกาของสังคมมันเป็นสิขาบทก็เลือยก็ฝึกตัวเองก็ไปได้วยกันมันจะเป็น กระบวนการที่เกื้อหนุนซึ่งกันและกันแล้วเจริญพัฒนาไปด้วยกันท่านมองให้ออกกันละกันจะพอเห็นมไหมเห็นนะเรามองอย่างเงี้ยแล้วเราจะเห็นว่าเมื่อท่านไปบินด บ, บาตท่ทานตั้งใจดีต่อญาติโยมท่านจะฝึกตัวเองเลยจิตใจท่านก็จะเป็นกุศลแล้วพัฒนาจิตใจขึ้นมาสงบขึ้นเพราะเป็นจิตใจที่ดีนี่ครับเม่ตาปรารถนาดีต่อญาติโยมจิตใจเราก็ช่มชื่น เบิกบาตรสงบง่ายสงบง่ายก็เอื้อต่อสมาธิใช่ไหมการเจริญสมาธิก็ได้อาศัยอันนี้ก็ง่ายขึ้นมันก็พัฒนาตัวเองก้าวหน้าไปในการปฏิบัติธรรมอันั้นก็การปฏิบัติต่อผู้อื่นให้ถูกต้องก็เป็นการปฏิบัติของตัวเองนั่นแหละก็คือการฝึกตนเองในหลักของสติก็ยังมีพระเจ้าตรัสว่าเมื่อรักษาผู้อื่นก็ชื่อว่ารักษาตนเมื่อรักษาตนก็ชื่อว่ารักษาผู้อื่นแต่ต้องคิดให้ออกว่ารักษาอย่างไร ก็เอาท่านี้ก่อนนะเพระดึกแล้อา้าวแล้วค่อยมีโอกาส ก, าก็นัดคุยกันใหม่